ทางเดินแห่งชีวิตของพวกเรานี้มีอยู่สองทางเลือกด้วยกันคือหนึ่งทางธรรมสองทางโลกเป็นทางที่พวกเราสามารถเลือกกันได้แต่ในเบื้องต้นนี้ส่วนใหญ่ จะเลือกไปในทางโลกกันเพราะไม่รู้จักทางธรรมแต่ถ้ามีโอกาสได้พบกับผู้ที่เดินทางธรรมแล้ได้ศึกษาได้รู้ว่าผลที่เกิดจากการเดินทางธรรมนั้นเป็นอย่างไร ก็อาจจะเปลี่ยนจากทางโลกมาเดินในทางธรรมได้ทางโลกนี้คือทางแห่งลาบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่มนุษย์เราส่วนใหญ่จะเดินกันอยู่จะรู้จักกัน แต่ไม่รู้จักว่ามันไม่เลยเป็นความเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรไม่ได้นำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้นำไปสู่การเส้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นทางที่จะนำไปสู่ ความทุกข์ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ก็จะไม่รู้ถ้าไม่ได้มาพบกับผู้ที่รู้จักทางเดินของทางธรรมที่รู้ว่าถ้าจะต้องการให้พ้นจากความทุกข์ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นที่จะต้องมาทางธรรมเพราะทางธรรมนี้จะนำไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากใจและยุติการเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือสองทางเลือกของชีวิตทางเดิน ของชีวิตของพวกเราถ้าเราได้มาพบกับผู้ที่รู้จักทางธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีของการเดินไปในทางธรรมเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและการสิ้นสุด ของความทุกข์หน้าการเวียนว่ายตายเกิดทางของธรรมนี้คือทางแห่งทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ท่งค้นพบแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้จักทางนี้ ให้ได้รู้จักกันและให้นำเอาไปปฏิบัติถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรากำลังพบกันอยู่เราก็ต้องเดินไปในทางธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงเดินไปในทางธรรมจนถึงจุดหมายปลายทางของทางธรรมคือการสิ้นสุดของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดและไปถึงความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่เรียกว่าบัลลมะมสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ กว่าความสุขต่างๆที่เราจะได้รับจากการเดินทางไปในทางโลกทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัที่เป็นทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะว่าลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่ให้ความสุขกับพวกเรานั้น มันเป็นของชั่วคราวนั่นเองเรียกว่าอานิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปเชนลาบยสศสรรเสริญนี้และความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้มาเป็นคู่ไม่ได้มาเดี่ยวเดียว คือมาพร้อมกับความเจริญและพร้อมกับความเสื่องเหมือนกับเหรียญ น, นี้มาสองด้านเหรียญ น, นี่มีสองด้านด้วยกันเหรียญเงินที่เราใช้แลกเปลี่ยนซื้อข้าวซื้อของกันมีด้านที่หนึ่งเรียกว่าหัวอีกด้านหนึ่งเรียกว่าก้อยหัวก้อยชันใดาราบยศสรรเสริญสุข นี้ก็มาเป็นคู่กันคือมากับความเจริญและความเสื่อมเป็นสี่คู่ด้วยกันเรียกว่าโลกกะระทำแปดโลกกะระทำแปดก็คือโลกที่มีการเจริญและเสื่อมในลาบยศสรรเสริญสุขไในลาบมาเรียกว่าเจริญลาบ แล้วในที่สุดก็ต้องเสียไปเสื่อมลาบไปได้ยศมาก็ต้องเสื่อมยศไปได้สรรเสริญมาก็ต้องเสื่อมสรรเสริญไปได้ความสุขมาก็ต้องเสื่อมความสุขไปเพราะมันเป็นธรรมชาติของโลกธรรมที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมไม่อยู่ไปตลอดต้องมีวันสิ้นสุดลงไปในวันใดวันหนึ่งช้าบ้างเร็วบ้างนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ผู้เดินไปในทางโลกจะได้รับก็คือความสุขสลับกับความทุกข์ เพราสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองและเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบงังคับไปสั่งให้ไม่เสื่อมได้ทุกอย่างจเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้แต่ร่างกายที่เราได้กันมาก็เป็น อันนี้จังทุกขังอนัตตาเหมือนกันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บและมีตายเวลาเสื่อมเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ แล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมกูกเิ่นกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังอยู่กับใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเช่นเดียวกันใจที่ไม่ตายนี้เลยถูกความอยากในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายนี้ ดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปคือให้ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผู้เดินทางในทางโลกนี้จะไม่รู้กัน รู้เพียงแต่ว่าเป็นความสุขถึงแม้จะมีความทุกข์ก็ต้องทนเอาเพราะไม่มีทางเลือกเพราะไม่รู้จากทางอื่นรู้จากทางนี้ทางเดียวรู้ว่าต้องมีลาบยศเสริญต้องมีความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายถึงแม้ว่าจะทุกข์ขนาดไหนในการหาราบยศเสริญสุขก็ต้องดินน้นรนอดทนหากันมา และเมื่อต้องสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปก็ต้องอดทนกับความทุกข์เพราะคิดว่าเพราะไม่รู้วิธีหาความสุขแบบอื่นคืออีกทางเลือกหนึ่งคือความสุขทางธรรมก็ต้องทนไปกับการหาความสุขทางลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องทนทุกข์ไป กับการหากับการดูแลรักษาเวลาได้ราบยศสารเสริญสุขมาก็ต้องมีความกังวลต้องคอยดูแลรักษาทุกข์กับความห่วงทุกข์กับความห่วงและเวลาที่จะต้องพัดภาคจากกันก็ต้องทุกข์กับการสูญเสีย แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายไปนี้ไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของชีวิตไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าผู้ที่ไม่ตายนี้มีอยู่ผู้ที่ไปเกิดใหม่นี้มีอยู่คือใจนี้เป็นผู้ที่ใช้ร่างกายหาลาบยศสารเสรนหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายจึยงไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่ามีใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกา ย, <ition. S 1> ย, ายก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายความทุกข์จะจบตรงที่ความตายดังนั้นก่อนที่จะตายก็ขอให้หาความสุขกันไปจากจะลาบยศสรรเสริญ จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลดพภั mm hmm. พฑเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะได้ความสุข mm hmm. ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว mm hmm. ความสุขเดียวเดียวหรือความสุขที่ไม่ถาวร mm hmm. ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเ mm hmm. พราะถ้าไม่มีลาบยศสันลเสน mm hmm. ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลดพภัพฑมาให้เสพ mm hmm. ก็จะมีความทุกข์ทรมานใจ อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ปราศจากลาบยศสารเสริญสุขไม่ได้จึงยอมทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการสูญเสียแล้วก็ทุกข์กับการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดส่วนนี้อาจจะไม่รู้กัน เพราะรู้เพียงแต่ว่าร่างกายนี้พอตายไปแล้วก็จบไม่มีอะไรตามมาต่อไปเพราะไม่มีใครสอนไม่มีใครที่รู้มาบอกมาสอนว่าการสิ้นสุดของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของความทุกข์ความอยากต่างๆเพราะผู้ที่มีความทุกข์มีความอยากนี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ที่มีความอยากมีความทุกข์ต่างๆนี่คือใจผู้รู้ผู้คิดอันนี้สำหรับผู้ที่เดินทางในทางโลกนี้จะไม่รู้กันก็จะหลงอยู่กับการหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโหดพทพะไปจนวันตาย แล้วก็ต้องทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องทุกข์กับการสูญเสียนี่คือผลที่จะเกิดจากการเดินไปในทางโลกคือโลกกระทำแปดลาบยศสารเสริญสุขเป็นสี่คู่ด้วยกันมีการจเจริญในการเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุข เราจึงเรียกว่าโลกกระทมแปดนี่คือทางทางเดินในทางโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเดินกันอยู่เพราะไม่รู้จักทางเดินอีกทางหนึ่งคือทางธรรมทางธรรมนี้นานๆจะมีปรากฏขึ้นมาให้รับรู้กันสักครั้งหนึ่ง คือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุ้มาพบทางธรรมนี้สักครั้งหนึ่งถ้าได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรม ร, รมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้าเองหรือมีพระอริยสงสาว ก, ก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของทางธรรมว่าเป็นทางเลือกของการดำเนินชีวิตอีกทางหนึ่ง และเป็นทางที่นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนำไปสู่ความสุขที่ถาวรนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ต่างๆนำไปสู่การสิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดอันนี้จะรู้จักทางนี้ได้ก็ต้องมีพระพุทธศาสนา มีพระพุทธเจา้าหรือ ม, มีพระธรรมครําสอนหรือมีพระอริยสงสาวกมาคอยสั่งคอยสอนมาคอยบอกอย่างยุคนี้สมัยนี้ชาตินี้ของพวกเรานี้เป็นยุคที่มีพระพุทธศาสนามีผู้รู้ผู้สั่งผู้สอนทางเดินทางเลือกอีกทางหนึ่งคือทางธรรม ทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรทางที่จะนำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินวิธีของการเดินไปในทางธรรมว่าเดินไปในทางธรรมนี้จะต้องเดินอย่างไรจะต้องทาอย่างไร เรื่งการเดินไปในทางธรรมนี้ต่างกับการเดินไปในทางโลกทางโลกนี้ให้หาลาบยศลาเสริญให้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ทางธรรมนี้ให้หาทานคือให้หาการให้ให้หาศีลคือการไม่กระทำบาปให้หาภาวนาคือการชำระจิตใจ ให้สงบให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นทางเลือกใหม่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ที่สรงคนพบทางนี้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่สงสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเราถ้าได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อ น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลคือความสุขที่แท้จริงได้รับความสิ้นสุดของความทุกข์และของการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ได้ทรงรับผลจากการดำเนินไปในทางนี้แล้วได้เดินไปถึงจุดหมายปลายทางของทางนี้แล้วคือทางแห่งทานศีลภาวนา ได้ไปถึงพระนิพพานที่เป็นสถานที่ที่มีแต่ความสุขที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าใครเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้รับผลแล้วก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังและเชื่อและน้อมนำเอาไปปฏิบัติ จนสามารถได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุถึงก็กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความรู้ของทางธรรมนี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปศาสนาพุทธของเรานี้ เริ่มต้นมาก็ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วเริ่มต้นนับจากวันที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุและประกาศพระธรรมคำสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ 2,500 กว่าปีเพราะว่ามีการเผยแผ่สั่งสอนความรู้นี้ให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราที่ไม่รู้กัน ผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยากมาพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงก็จะเลือกมาเดินในทางทานศีลภาวนาหยุดการเดินไปในทางโลกทางแห่งลาบยศสารเสริน ทางแห่งความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในเบื้องต้นการเดินทางไปสู่ทางธรรมนี้ก็สามารถเดินควบคู่ไปกับการเดินไปในทางโลกได้อยู่เพราะว่าจําเป็นจะต้องสร้างพลังขึ้นมาถึงจะสามารถไปในทางธรรมได้อย่าง อย่างอย่างเดียวเรื่องตอนนี้ผู้ปฏิบัติผู้ที่มีความสนใจศึกษายังสามารถเดินไปควบคู่กับทางโลกและทางธรรมกันได้คือในขั้นต้นๆของการเดินทางไปในทางธรรมนี้ยังสามารถเดินควบคู่ไปกับการเดินไปในทางโลกได้อยู่เช่น ข้ารวาดญาตโยมทั้งหลายผู้คลองเรือนนี้ยังเดินอยู่ทั้งสองทางวันหนึ่งก็ไปทางราบยศสละเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอีกวันหนึ่งก็มาทางทานศีลภาวนาสลับกันไปก่อนเพราะว่าในระยะเบื้องต้นนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก ต่อการเดินไปในทางธรรมถ้าได้เดินทางไปในทางธรรมได้รับผลมากขึ้นก็จะเกิดมีความอยากที่จะเดินไปในทางธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะต้องถึงจุดที่จะต้องแยกทางกันอย่างอย่างอย่างถาวอนคือต้องเลือกไปทางใดทางหนึ่งเลย จะไปเลือกเอาสองทางไม่ได้คือถ้าไปถึงขั้นภาวนาก็จะเป็นที่จะต้องแยกออกจากทางโลกไปการดำเนินในทางธรรมจึงมีเป็นสองระดับระดับแรกนี่เรียกว่าระดับของนักบุญระดับที่สองนี่เรียกว่าระดับของนักบวชระดับของนักบุญนี้ยัง เดินไปในทางของทางโลกคู่กันไปได้เช่นยังหาราภยศสรรเสริญยังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่เพราะยังไม่ได้รับความสุขมากจากการเดินไปในทางธรรมนักบุญนี้จะทำอยู่สองระดับด้วยกันก็คือทานกับศีล นักบุญนี้จะหมั่นทำบุญทาทานและรักษาศีลห้านี่เป็นระดับที่ยังสามารถเดินควบคู่ไปกับการเดินไปในทางโลกได้ยังไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วก็แบบเอาเงินทองที่ได้มามาแบ่งให้แก่ผู้อื่นด้วยการทาทาน แล้วก็รักษาศีลห้าคือห้าการกระทาบาปห้าข้อด้วยกันละเว้นจากการกระทำบาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมานะก็จะได้พบกับความสุขในระดับต้นๆแต่ถ้าอยากจะได้รับความสุขเพิ่มมากขึ้น และลดความทุกข์ให้มีจำนวนน้อยลงก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มการปฏิบัติขยับขึ้นไปในระดับของนักบวชโดยในเบื้องต้นก็อาจจะทำแบบทดลองไปก่อนเช่นอ า, อาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้มาลองปฏิบัติแบบนักบวช ด, ดูคือให้ถือศีลแปดแทนถือศีลห้า แล้วก็จะได้ละจะได้งดการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้ให้สัมผัสกับความสุขที่จะได้รับจากการไม่เสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเสพความสงบแทนด้วยการทำใจให้สงบด้วยการจเจริญจิตตภาวนา สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอันนี้เป็นการทดลองไปก่อนเหมือนกับลองชิมอาหารจานใหม่ดูว่าอร่อยหรือไม่อาหารชนิดนี้ไม่เคยรับประทานไม่กล้าสั่งมามากสั่งมาแล้วเดี๋ยวเกิดรับประทานไม่ได้ไม่ชอบก็จะเสียเงินทองไปเปล่ า, าก็เลยขอ สั่งมาจานเล็กๆมาลองชิมดูก่อนดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาติของความสงบนี้เป็นอย่างไรในวันพระหรือในวันหยุดทำงานผู้ที่เป็นนักบุญก็จะมาลองเป็นนักบวชชั่วคราวไปก่อนการถือศีลแปดนี้ถือว่าเป็นศีลของนักบวชเพราะนักบวชนี้ต้องการละเว้นจากการเสพกลามเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่ว ศีลห้าข้อที่สามที่ไม่ให้เสพไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีก็จะต้องเปลี่ยนเป็นไม่ให้เสพกามเลยศีลห้า น, น, นี้ยังอนุ ญ, ญาตให้เสพกามได้แต่ต้องเสพกามกับผู้ที่เป็นคู่ครองของตนเท่านั้นแต่ถ้ามาถือศีลแปดศีลสามศีลข้อที่สามนี้ก็ต้องเป็นอ布拉 ม, มัจริยาคือจะอยู่แบบพรม อยู่แบบพรหมจรรย์พรหมก็คือไม่เสพการผู้ไม่เสพกามนี้เราเรียกว่าพรหมพระพรหมนี้ถ้าไม่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็จะมาลองเป็นพรหมเป็นพระกันหนึ่งวันเราจะไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เกิดจากการบาเพ็ญจิตตภาวนานี่คือศีลข้อที่แปดศีลศีลศีลแปดที่เราจำเป็นจะต้องมีเพื่อจะได้ห้ามไม่ให้ตัวเราไปเสพกลามไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หกไม่รับประทานอาหารตามความอยาก รับประทานอาหารตามความจําเป็นตามความต้องการของร่างกายซึ่งไม่ต้องรับประทานทั้งวันทั้งคืนรับประทานเพียงมือ้อสองมื้อก็พอแล้วะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานอาหารอีกต่อไปเพื่อจะได้เอาเวลานี้มาหาความสงบกันแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่เจ็ดคือละเว้นจากการเสพ กามทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการไปหามไปดูมอหระศพบันเทิงต่างๆไปเที่ยวไปทาอะไรต่างๆเ พ, เพื่อให้เกิดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายละเว้นจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายเสริมสวยความงามต่างๆแล้วก็มาละเว้นจากการหลับนอนมากจนเกินไป ลาเวนจากการหาความสุขจากการหลับนอนคือไม่นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆ ใ, ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อจะได้ไม่นอนมากนอนพอพักผ่อนร่างกายร่างกายเวลาเหนื่อยเวลาง่วงมากๆนี้นอนบนฟูกหนาๆหรือนอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับเหมือนกัน แล้วเวลาร่างกายตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกนหะนาะๆมันจะเกิดความอยากนอนต่อเพราะมันสุขและมันสบายก็จะไม่ลุกขึ้นมาภาวนาไม่มาทําใจให้สงบแต่ถ้านอนบนไม้แข็งบนพื้นแข็งๆนี้พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากนอนต่อก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมา ทำใจให้สงบได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดศีลของนักบวชคือจะคือจะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายให้มาหาความสุขจากการบำเพ็ญจิตตะภาวนาเพื่อทำใจให้สงบพอถ้าใจสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่า ค ว, ค, ความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกิริลดพุทธะนั่นเองเหมือนฟ้ากับดินความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกิริลดพุทธะนี้อยู่ในระดับที่ต่ำมากเมื่อเปรียบกับความสุขที่ได้จากความสงบเหมือนกับฟ้ากับดินนความสุขระดับความของความสงบนี้เป็นความสุขยิ่งใหญ่มหาศาล อย่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่านัตติสันติฝรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุขความสงบนี้ไม่มีไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้ามาลองรักษาศีลแปดมาลองอยู่แบบนักบวชหนึ่งวันเราได้ริมนดลดข อ, ของความสงบแล้วจะเกิดศรัทธา พรารสแห่งธรรมนี้ชนะรถทั้งปวงรถของความสงบนี่แหละที่เราเรียกว่ารถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงพอได้สัมผัสกับอาหารจานเด็ดที่มีความอเรเด็ดอร่อยกว่าอาหารที่เราเคยรับประทานต่อไปก็อยากจะสั่งแต่อาหารแบบนี้มารับประทานอาหารแบบเก่าที่เคยรับประทานก็จะไม่สั่งอีกต่อไป ถ้าลองได้สัมผัสกับความสงบแล้วนี้จะเกิดความติดอกติดใจอยากจะเสพสัมผัสกับความสงบนี้ให้มากขึ้นก็จะเพิ่มเวลาของการมาปฏิบัติแบบนักบวชให้มากขึ้นจากที่เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งหรือมีเวลาว่างเมื่อไหร่ ก็จะมาปฏิบัติมาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะพยายามลดละภารกิจการงานต่างๆให้น้อยลงไปเพราะถ้าได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วความจำเป็นที่จะต้องหาลาบยศสารเสสนี้มันจะน้อยลงไปเพอ ลดของลาบยศสารเสริญนี้สู้ลดของความสงบไม่ได้พอมีลดของความสงบแล้วจะไม่หิวกับลดของลาบยศสารเสริญไม่หิวกับลดของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะสามารถลดภาระในการที่จะต้องแสวงหาราบยศสารเสริญ ส, สุขได้ก็จะทําให้มีเวลาที่จะมา หาความสุขที่เกิดจากความสงบได้มากขึ้นไปตามลำดับนี่แหละพอได้เริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วนี่ทางของโลกกับทางของธรรมนี้ก็จะเริ่มแยกออกจากกันถ้ายัางอยู่ในระดับของนักบุญยังทาบุญทาทานยังรักษาศีลห้าอยู่นี้ยังไม่มีความไม่มีกำลังที่จะเอาชน ะ, ะลดของราบยศ ส, สรรเสิญสุขได้ จะเอาชนะได้ต้องเอาลดที่เกิดจากความสงบนี้พอได้ความสงบนี้แล้วทางเดินระหว่างทางโลกกับทางธรรมก็จะแยกออกจากกันไปไปเริ่มแยกออกจากกันตอนต้นก็แยกอาทิตย์ละวันต่อมาก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันสี่วันต่อไปก็จะแยกทั้งเจ็ดวันเลยอาจจะแยกแบบชั่วคราวก่อน เช่นเข้าพรรษาก็ไปอยู่วัดทั้งพรรษาอล้วออกพรรษาก็อาจจะกลับไปทางโลกบ้างเพราะยังมีภารกิจที่ยังไม่ได้ตัดให้มันขาดไปก็ยังต้องกลับไปจัดการดูแลอยู่แต่พอถึงขีดหนึ่งแล้วจะเบื่อกับทางโลกเพราะจะรู้ว่ามันเป็นทางของความวุ่นวาย แล้จะรู้ว่าทางของทางธรรมนี้คือทางของความสงบทางของความสุขนานที่สุดก็จะแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด <c oughs> คือออกบวช <c oughs> บางท่านนี่ก็สามารถทำได้แบบรวดเร็ว <c oughs> ไม่ได้ทำแบบทีละวันสองวันทีละครั้ง <c oughs> สองครั้ง <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้านี่ <c oughs> พอทรงตัดสินพระไทย ที่จะไปทางธรรมก็ไปแบบเด็ดขาดไปเลยสละราชสมบัติหนี อ, ออกจากวังไปในคืนในค่ำคืนไปเลยไม่ได้มาทำแบบวันวันพระรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะไม่สามารถทำได้อยู่ในวังพระราชบิดานี้ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถานี้เสพกามตลอดเวลา ให้มีความสุขจากการเสกกรรมยังนั้นการที่จะขอถือศีลแปดในวันพระนี้คงจะเป็นไปไม่ได้เพระพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเอาแบบเอาแบบทันทีทันใดเลย<ม>ออกบวชเลย<ม>สละราชสมบัติเลยทำทานสละทุกสิ่งทุกอย่างมีไปเพื่อจะได้มีเวลามาสร้างความสงบ สร้างความสุขทางใจนั่นเองอดังนั้นวิธีที่จะแยกออกจากทางโลกนี้ของแต่ละคนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็ค่อยเป็นค่อยไปบางคนก็ปุ๊บปั๊บไปเลยบางคนก็มีเหตุการณ์ที่ผลักดันให้ไปเลยเช่หนหลวงปู่ขาวนี้ท่านก็มีเหตุการณ์มีปัรญาที่มีชู้ ทำให้ท่านเสียใจมากทำให้ตัดสินใจเลิกเดินทางโลกเลยเพราะเห็นว่าทางโลกนี้มันเป็นทางของความทุกข์ไม่ใช่เป็นทางของความสุขพอเจอความทุกข์แรงๆแบบภรรยามีชู้ก็ทำให้ท่านไม่อยากจะอยู่ในทางโลกอีกต่อไปท่านก็เลยออกไปทางธรรมทันทีสำหรับบางองค์ท่านก็มีวิธีต่างกัน อย่างหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็มีบิดามารดาที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ไปทางธรรมตั้งแต่เด็กให้บวชเนนตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมาหน่อยก็ต้องออกมาช่วยทางบ้านทำนาทำไร่แต่พอครบอายุบวชท่านก็บวชเลยบวชแล้วก็ไม่เสกเลยสมเด็จพระสังฆราชพระยาสังวรก็ท่านก็บวชตั้งแต่ท่านเป็นเนน ท่นนี้ท่านมีผู้สนับสนุนและมีบุญเก่าที่สามารถส่งให้ท่านไปในทางธรรมได้เลยดังนั้นแต่ละคนนี่จึงมีวิธีแยกออกจากทางโลกไปไม่เหมือนกันแต่ถ้าลองได้ไปแล้วก็จะได้ผลเหมือนกันคือได้รุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันเพราะทางนี้จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางอันนี้เพียงอย่างเดียวนําไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนําไปสู่สิ้นสุดของการเกิดแก่เจ็บตายสิ้นสุดของความทุกข์ต่างๆนําไปสู่วรมะสุขคือนิพพานังปรมังสุขขังอันนี้เกิดจาก การที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือได้มาเกิดในครอบครัวที่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะส่งเสริมบุตรหลานให้ได้ไปเดินไปในทางธรรมส่วนบุตรหลานนั้นจะไปได้มากน้อยเพียงไรก็อยู่ที่กําลังของแต่ละคนะถ้ามีกําลังมากก็สามารถเดินไปได้ตลอดนอดฝั่ง ถ้ามีกำลังไม่มากพอก็อาจจะไปไม่ถึงไปตลอดรอดฟังไปได้เพียงครึ่งทางก็อาจจะกลับมาอยู่ทางโลกต่อไปซึ่งมีจำนวนมากที่มาบวชกันแล้วแล้วก็ในที่สุดก็ต้องลาสิกขาไปกลับไปมีครอบครัวกลับไปหาลาบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนือกาย เพราะว่าไม่มีกำลังที่จะเดินไปในทางธรรมเพราะการเดินไปในทางธรรมนี้เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขานี้เองส่วนทางแห่งทางโลกนี้เหมือนกับเดินลงเขาการเดินลงเขานี้มันย่อมสบายย่อมง่ายกว่าการเดินขึ้นเขาไม่ต้องใช้กำลังมากเพราะแรงดึงดูดของโลกจะดึงจะจะดึงให้เดินลงไปอย่างง่ายได้ ส่วนการเดินขึ้นเขานี้ต้องทวนกาลังของแรงดึงดูดของโลกจึงเป็นการยากที่จะเดินขึ้นเขาทางธรรมก็มีแรงดึงดูดที่คอยต้านแรงดึงดูดที่คือต้านก็คือกิเลสตัณหานี้เองที่จะคอยดึงให้ใจนี้ไปหาทางลาบยศสารสุขกันถ้าไม่มีความเพียรพยายาม ไม่มีศรัทธาอันแก่กล้าจะยากต่อการที่จะเดินขึ้นภูเขานี้ได้ดังนั้นผู้ที่จะเลือกไปในทางธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีศรัทธาที่แก่กล้าและมีวิริยะอุตสาหะที่แก่กล้าการที่จะทำให้เกิดศรัทธาและวิริยะที่แก่กล้านี้ได้นั้นเกิดได้อย่างไรก็เกิดจากการได้เห็นผลของการปฏิบัติ ถ้าลองได้สัมผัสกับผลของการปฏิบัติ<ม>เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม้แต่เพียงแค่วุบเดียวแวบเดียวคือได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากการปฏิบัตินี้แม้แต่จะเป็นเพียงแค่วุบเดียวแบบดูแรบลิ้นนี้ก็ตามแต่มันจะมีพลังมีพลังมากมันจะทาให้เกิดศรัทธาและเกิดวิริยะ ความอุตสาหะภาคเพียนเป็นอย่างมากที่จะสู้กับความต่อต้านของกิเลสตานหาสู้กับความเกียจค้านสู้กับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติต่างๆเช่นนิวรฮะถ้าผู้ใดลองได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนจะมีศรัทธามาอย่าง มากมายมีวิริยะความอุตสาหะมาอย่างมากมายจะสามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจ <c oughs> ให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มร้อยเลยแล้วถ้าได้ปฏิบัติอย่างเต็มร้อยแล้วผลก็จะต้องเกิดมาอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ที่กำลังที่มีศรัทธาแต่ยังไม่แน่วแน่มีวิริยะความอุตสาหะอย่างไม่เต็มร้อย ก็ขอให้เพียรพยายามปฏิบัติให้ถูกให้ได้ผลเถิดแม้แต่จะได้เพียงแวบเดียวก็ตามมันจะปลุกศรัทธาให้เป็นศรัทธาที่แก่กล้าปลุกปลุกวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียร น, นี้ให้แก่กล้าให้เต็มร้อยได้แล้วพอมีศรัทธามีวิริยะที่แก่กล้าเต็มร้อยแล้วนี้จะไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้น การดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานนี้ได้เลยดัยงนั้นท่านที่กำลังสนใจกับการที่จะไปในทางธรรมนี้ขอให้ทำอย่างจริงจริงจังๆเวลาวันเวลาที่ท่านเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมนี้พยายามมาควบคุมใจให้สงบให้ได้การที่จะควบคุมใจให้สงบนี้จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นกุญแจดอกสำคัญ เป็นเหมือนกับกุญแจรถยนต์เวลาเราจะขับรถยนต์ไปไหนมาไหนนี่สิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือกุญแจรถถ้าไม่มีกุญแจรถก็ขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้ใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราต้องการจะขับใจเราไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมีกุญแจสตาร์ทใจเรา กุญแจที่จะมาสตาร์ทใจเราก็คือสตินี่สตินี้จะทําให้หยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีเหมือนสตาร์ทใจให้สว่างให้มีความให้วิ่งไปสู่พระนิพพานได้เลยดังนั้นผู้ปฏิบัตินี้ควรที่จะ ให้ความสำคัญกับสติมากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกจากพร้อมกับศีลที่สนับสนุนให้มีเวลามาปฏิบัติคือศีลแปดพูดที่จะมาปฏิบัติได้นี้ต้องถือศีลแปดก่อนแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่มีภารกิจการงานต่างๆมารบกวนใจ อ, อันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้การเจริญสติ ปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายได้นะต้องมีศีลแปดต้องไม่ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ไปสังคมกับใครไม่ไปคุกคลีกับใครท่านสอนให้ยินดีต่อการปรีกวิเวกไม่ให้คุกคลีกันถึงแม้ไปปรีกวิเวกสมัยนี้ก็ยังคุกคลีกันได้ด้วยการติดต่อ ทางโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าจะไปเปริกเว่จริงๆนี่อย่าเอามือถือไปเลย <Good. S 1> คือข อ, อให้เราตายจากสังคมตายจากคนทั้งหลายไม่ต้องติดต่อกันไม่ต้องรับรู้กันเพราะถ้าไปติดต่อแล้วมันจะมาขัดขวางการเจริญสติจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ แล้วถ้าใจไม่สงบแล้วจะไม่เกิดสัตตาที่แรงกล้าจะไม่เกิดวิริยะอุตสาหะที่แรงกล้าที่จะสามารถผักดันจิตใจให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะไปทางธรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยเสริมเหล่านี้คือหนึ่งต้องรักษาศีลแปดสองต้องปรีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่คลุกคลีกัน ไม่ติดต่อกับใครทั้งนั้นโทรศัพท์มือถือก็ไม่เอาไปยอมตายถ้าเกิดเป็นอะไรไม่ต้องไปติดต่อกับหมอกับโรงพยาบาลยอมตายไปเลยเพราะถ้าเอาไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นปัญหาได้ถ้าเอาโทรศัพท์มือถือไปอาจจะอ้างว่าเอาไปเผื่อเป็นอะไรจะได้ติดต่อกับหมอติดต่อกับโรงพยาบาลแต่มันไม่เป็นหรอกมันจะเป็นกิเลสมากกว่า เดี๋ยวคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงงานคิดถึงการเดี๋ยวก็อดโทรไม่ได้แต่ถ้าไม่มีโทรมันก็จะได้ไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปคิดไปปรุงแต่งใจจะได้สงบได้ใจจะได้สัมผัสกับความความสงบที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากความสงบได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสาหรับผู้ที่เริ่มต้น ถ้าไม่เริ่มต้นด้วยวิธีที่ถูกแล้วมันจะยากต่อการที่จะดําเนินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ครับพระพุท hmm. ธเจ้าจึงทรงเน้นการปรีกวิเวกการไม่คุกคลีกันไม่ติดต่อกันคุกคลีก็คือการติดต่อกันแล้วเอาโทรศัพท์ไปทาไมถ้าเราจะไปปีกวิเวกถ้าเราจะไปหาความสงบเราก็ต้องไม่เอาไฟสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไปวัดป่าบ้านตานี้ท่านไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุห้ามเข้าหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดูเพราะนี่เป็นเหมือนกับการไปคุกคลีกันนั่นเองเพอดูทีวีก็คุกคลีกับภาพที่เราดูอ่านหนังสือพิมพ์ก็คุกคลีกับเรื่องที่เราอ่านมันก็จะไม่สงบมันก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมัวแต่คิดปรุงแต่งกับรูปที่เห็นในทีวีหรือหนัง เรือกเรื่องที่อ่านในหนังสือพิมพ์เอหนุ่มตาวัดป่าบ้านตาสมัยก่อนนั้นท่านไม่ให้เอาเข้าวของพวกนี้โทรทัศน์นี้ท่านเรียกว่าเทวทัศน์ไม่ใช่โท ร, รโทรัศน์เทวทัศน์ตัวทําลายศาสนาตัวทําลายพระเนนก็คือโทรทัศน์สมัยนี้ท่านก็ต้องเล่ บ, บอกว่าพวกโทรศัพท์มือถือนี่ก็โท ร, รโทรัศน์เทวทัศน์เหมือนกันเป็นตัวที่จะมาทําลาย ผู้ปฏิบัติจะทําให้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้ถ้าลองไปเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือแ ล, ล้วรับรองได้ว่าอย่าไปปีกวิเวกให้เสียเวลาเลยไปแต่วิเวกทางกายแต่ใจไม่วิเวกใจวุ่นไปกับคนนั้นคนนี้ติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทางไลน์บ้างทางเฟซบ้างทาง youtube บ้างทางอีเมลบ้างทางเสียงบ้างทางรูปบ้างดี๋ยวนี้ติดต่อกันได้หลากหลายผ่าน โทรศัพท์มือถือนี่ถ้าไปแบบนี้ก็อย่าไปดีกว่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ไปนั่นเองเหมือนกับอยู่บ้านอยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้ไปอยู่เปกไวเวกในป่าในเขาคนเดียวแต่ก็โทสรสัพ์คุยกันส่งภาพดูกันส่งไลน์หากันมันก็เหมือนอยู่บ้านเดียวกันนั่นแหละไปทาไมถ้าไปแบบนั้นนี่คือเรื่องที่ เป็นอุปสรรคกับผู้ที่ปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันจึงไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมปฏิบัติแล้าใจมันไม่สงบสักทีมันจะไปสงบได้ยังไงเมื่อมันมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาอยู่ในใจตลอดเวลา อ, อันนี่คือปัจจัยเสริมก่อนที่จะมาเสริมมาสร้างสติขึ้นมาได้นี้ ต้องมีปัจจัยเสริมเพื่อมากำจัดเรื่องราวต่างๆที่จะมารบกวนการเจริญสติเกิดต้องไปปีกวิเวกอยู่ที่ไม่มีการติดต่อกับใครถ้าอย่าเอาโทรศัพท์มือถือไปยอมตายถ้ามันจะตายก็ไม่มีใครช่วยได้โทรศัพท์มือถือมันก็ช่วยไม่ได้แล้ยอมรับแล้วรับรองได้ว่าโทรศัพท์มือถือมันไม่ช่วยมันจะทาลายเรามากกว่า ทำลายเจยตนาลมทำนายการปฏิบัติของเราต้องการไปสงบพอไปถึงแล้วพอเหงาขึ้นมาก็อดไม่ได้อดที่จะเปิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าไม่มีให้เปิดมันก็จะได้ไม่มีอะไรมามามาลอใจจะได้เข้าหาการสร้างสติเพียงอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีคือต้องสร้างสติ เป็นกุญแจดอกสําคัญในการที่จะสตาร์ทใจที่เป็นเหมือนรถยนต์ให้วิ่งไปถึงพานิพานได้ต้องมีสติและก่อนจะมีสติได้ก็ต้องไม่มีอะไรมาลบกวนในการเจริญสติไม่ให้มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาลบกวนใจในการสร้างสติไม่ให้มีมือถือไม่ให้มีทีวีไม่ให้มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังไม่ติดต่อกับใครไม่รับรู้เรื่องของใครทั้งนั้น ต้องการเข้าสู่ข้างในเข้าสู่ความสงบนะถ้าถ้าทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเจริญสติไม่นานจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้เพราะไม่มีเรื่องมีราออกมาดึงไปนั่นเองที่เจริญสติกันไม่ได้ที่ทำใจให้สงบกันไม่ได้ก็เพราะมีแต่เรื่องต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องไม่ใช่เรื่องก็มีเรื่องเป็นเรื่องก็มี บางทีไม่มีเรื่องก็ไปหาเรื่องอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาเรื่องไปนินทาชาวบ้านไปตำหนิไปข้อหาไปอะไรต่างๆมันถ้าทำอย่างนี้แล้วอย่าไปหวังที่จะพบกับความสงบเลยไม่มีวันจะสงบได้ น, นี้ต้องไม่สนใจโลกเลยโลกทั้งโลกนี้เหมือนไม่มีเหมือนเราตายจากโลกนี้ไปอยู่คนเดียว ไม่ติดต่อกับใครไม่สนใจกับใครทั้งสิ้นถ้าทำอย่างนั้นนะใจมันจะได้เจริญสติอยู่กับพุทธโธพุทธโธได้เรียอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างต่อเนื่องถ้ามีการเจริญบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องหรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่องใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พอใจสงบแล้วถึงก็จะเกิดศรัทธาอันแรงก้าเกิดวิริยะอันแรงก้าขึ้นมาพอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนและวิธีที่จะสร้างความสุขนี้สร้างได้อย่างไรพอได้ผลมาแล้วรู้แล้วว่าวิธีนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาก็คือวิธีของการเจริญสติของการปีกวิเวกของการไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครนี้เอง แล้วก็ทีนี้ก็จะเพิ่มการปฏิบัติเพิ่มเวลาของการปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนอนเท่านั้นไม่มีเวลาใดที่จิตไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่มีเวลาใดที่จิตจะฟุ้งซ่านจิตจะคิดนูน่นคิดนี่เรื่อยเปื่อย น, นี้จะไม่มีการเกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วสตินี้จะคอยควบคุมใจ ให้ตั้งอยู่ในความสงบตลอดเวลาออพอมีความสามารถที่จะควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลาขั้นต่อไปก็จะเข้าสู่การขั้นของการเจริญปัญญาได้เจริญปัญญาเพื่อสอนใจให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นเหตุของการดับทุกข์เหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆความอยากที่จะไปหาลาบยศสารเสริญหา ความสุขทางตาหูจะบูกลิ้นกายนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าทุกครั้งที่อยากที่จะให้ความสุขถ้าเกิดความอยากเหล่านี้มาก็ต้องใช้สติมนันระงับทันทีหยุดมันทันทีอย่าไปทํามันอย่าไปทําตามมันเพราะปัญญาบอกว่าตัณหาคือตัวที่สร้างความทุกข์ต้องหยุดมันสิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือสตินี่เอง อเรามีสติที่จะหยุดใจได้ทุกเวลาพอเกิดตันหาขึ้นมาแล้วปัญญาบอกนี่คือต้นเหตุของความทุกข์เราก็หยุดมันทันทีอยากจะดูก็ไม่ดูทันทีอยากจะฟังก็ไม่ฟังทันทีอยากจะดื่มอยากจะริมรดอะไรก็ไม่ดื่มไม่ริมรดทันทีหยุดได้ทันทีพอหยุดความอยากปั๊บต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นหมาต่อไปต่อไปไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องทําอะไร เพราะตัวที่มาสร้างความทุกข์ก็คือความอยากนี่เองพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เหลืออยู่แต่ความสงบเหลืออยู่แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละเรียกว่าใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้บริสุทธิ์ตรงที่ไม่มีความอยากทั้งสามคือกามตันหาภวตันหาวิภวะตันห า, ห า, หาที่เรียกว่าใจที่เรียกว่านิพานก็คือใจที่บริสุทธิ์นี้เอง ใจที่ปาสะจากกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภวตัญหาที่เกิดจากการเจริญสติและปัญญานี้นั่นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเนี่ยด้านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสาวกที่ตรงนี้ตรงที่มีสติมีปัญญาที่จะกําจัดตัญหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไป พอไม่มีตันหาความอยากแล้วก็จะไม่มีตัวที่จะเดินใจให้ไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่ผู้ที่จะเดินไปในทางธรรมนี้จำเป็นที่จะปฏิบัติให้ได้ถ้าต้องการจะไปนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องปัญญาขอให้มีสติก่อน จะมีสติได้ก็ต้องมีศีลแปลดขึ้นไปแล้วก็ต้องมอีการไปอยู่คนเดียวปีกวิเวกไม่คุกคีกับใครไม่ติดต่อกับใครไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไม่รับรู้เรื่องของใครทั้งนั้นไม่เอาโทรศัพท์มือถือไปไปตัวปเปล่าเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสนี้ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสติถ้ามีโทรศัพท์มือถือมามันจะมาขัดขวางการเจริญสติ เราจะไม่มีเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสตัณหาแต่อาจะมีเครื่องมือที่มาสนับสนุนกิเลสตัณหาให้มีกำลังมากขึ้นไปจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติเดินไปในทางธรรมได้แล้วในที่สุดก็ต้องกลับไปในทางโลกเพราะทิ้งมือถือไม่ได้รับมือถือยิ่งกว่าสามียิ่งกว่าลูกให้เลือกระหว่างมือถือกับสามีกับลูกนี่จะเลือกอะไรลองถามตัวเองดู นี่คือปัญหาของผู้ปฏิบัติที่อาจจะไม่คิดกันไม่รู้กันจึงไม่ไปถึงไหนกันติดอยู่กับตรงนี้ติดอยู่กับมือถือไปไหนไม่ได้ถ้าอยากจะไปก็ต้องทิ้งมือถือไปนี่คือเรื่องของการเดินเข้าสู่ทางธรรมเพื่อจะให้เกิดศรัทธาและวิริยะอันแรงกล้านี่จาเป็นจะต้องได้สัมผัสกับรถแห่งธรรม ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือความสงบที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงจะเกิดผลนี้ได้ก็ต้องไปปีกวิเวกต้องถือศีลแปดต้องไม่คุกคีกันไม่ติดต่อกันต้องไม่มีในมือถือแล้วลอบดองได้ว่าการเจริญสตินี้จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้จะได้พบกับสัมผัสกับความสุขแบบงูแลบลิ้น เบื้องต้นนี้จะเจอแบบความสงบแบบงูแลบลิ้นก่อนเพราะกาลังของสติยังมีไม่มากมากพอที่จะได้สัมผัสกับความสงบเพียงเดียวๆแต่มันจะเป็นตัวโดนบันดาลให้มีศรัทธามีวิริยะที่แรงกล้าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการไปเปรียวิเวกไปเจริญสติไปปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปสติก็จะได้เป็นสติเต็มร้อย พอมีสติเต็มร้อยก็สามารถหยุดความอยากหยุดใจหยุดความคิดตรุงแต่งได้ทุกเวลาที่ต้องการพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่านี่คือต้นเหตุของความทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องไม่ไปทําตามความอยากเหล่านี้พอปัญญาบอกให้ไม่ให้ทําตามสติก็จะสามารถสั่งใจไม่ให้ทาตามได้ทันที ก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบอย่างถาวรแล้วใจก็จะได้บทพ้นจากความทุกข์ใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาเป็นนิ บ, บานังปรมังสุขขัมขึ้นมาเป็นมรลมสุขขึ้นมานี่คือจุดหมายปลายทางของการเดินไปในทางธรรมที่พวกเรากำลังมาได้พบได้สัมผัสได้ยิน ก็ขอให้ท่านลองนำเอาไปปฏิบัติดูแล้วดูเสว่าผลแห่งการปฏิบัตินี้จะดีกว่าผลที่เราได้รับจากการไปหาราบยศสรรเสริญสุขหรือไม่ก็ขอให้ลองไปปฏิบัติดูก็แล้วกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึางขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปกปติอิทิต่างปฏทิต um ่างตุ მ หังคิปะเมวะสมิจัตุสัเพปุเรนตุส ah ังกปาจันโทปนาหะโสยะทามณิโชติ พระโสยะา ส, าสพีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธานศีลิสะนิจังวุธาปะจายโนจตารโอธรมมวทานติอายุวันโอสุขัง ฮาลโหลแล้วตอบตอปนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตงดถามตอบปัญหาจะถามตอบเฉพา ะ, พะช่วงที่กำลังประชุมกันอยู่วันนี้ทางเฟ e b o o k กับยูทูบเข้ามาเท่าไหร่นะ a c e b o o k 366ค่ะ YouTube 86ค่ะ <Ừ. S 2> แล้วก็ไลน์ 3,000 ค่ะ 3,000 แล้วนวก็ถามได้เลยถ้าไม่มีใครถามก็เอาทางบ้านเข้ามาได้เลยค ำ, คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากครูป้อมค่ะทานที่บำเพ็ญไว้แล้วในอดีตที่ผ่านมาจะส่งผลในการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันหรือไม่คะ ก็แล้วแต่ว่าอดีตมันไกลแค่ไหนถ้า น, านานแล้วมันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เพราะบุญที่เราทำนี้ถ้าเราไปรับผลบุญแล้วมันก็หมดไปก็ต้องสร้างบุญใหม่ต้องทำบุญใหม่ั้นทานที่จะมาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของเรานี้ต้องเป็นทานในปัจจุบันมากกว่าคือแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทำบุญเราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมนี่คือทานที่จะสนับสนุนการปฏิบัติ ถ้าเอาเงินไปเที่ยวก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมก็จะไม่ได้ทำทานคำถามจากคุณธนรงค์ค่ะเลี้ยงแมวให้จับหนูบาปและเมืดศีลเหมือนใส่กับดักไหมครับก็พอกันถ้ามัมีเจตนาที่จะกำจัดหนูมันก็ผิดตั้งแต่ที่เริ่มคิดแล้วเพราะมันเป็นการคิดในการกระทำบาปเพียงแต่ว่าตัวเองไม่ทำเองสั่งให้คนอื่นทาใชใ้คนอื่นทาแทน ก็บาปด้วยกันทั้งคู่แมวอาจจะบาปน้อยกว่าคนสั่งเพราะว่าหนูแมวมันทําเพราะมันความหิวมันอยากมันต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่คนทํานี้อาจจะทําด้วยความโกรธเกลียดคําถามจากคุณวิไลละะักษ์ค่ะถ้ามีคนด่าว่าเราทุกวันให้ได้ยินถ้าปล่อยให้เขาคิดว่าเขาด่าเราไปส่วนเราคิดว่าเขาด่าเราเราก็มีความสุข ก็ทำทานให้เขาอย่างนี้เราจะได้บุญไหมค ะ, ะถ้าเรามีความสุขมันก็เป็นบุญไงถ้าเขาด่าแล้วเราสาธุได้เหมือนกับฟังพระเทศแลืฟังพระสวดก็เราก็ได้บุญได้ความสงบไ ม, ไม่ไม่ได้ความทุกข์ไม่ได้ความโกรธความเกลียดคำถามจากแม่นกจิบจิบเวลาสวดมนต์จำเป็นต้องสวดมนต์บทใดบทหนึ่งเป็นประจำไหมคะปกติ ก็จะบูชาพระรัตนตรยัยอิติปิโสพาหุงมหากาแล้วก็นั่งสมาธิค่ะการสวดมนนี้เป็นอุบายของการเจริญสติสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่เราเราชอบสวดบทไหนก็สวดไปเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อใจเราจะได้นิ่งจะได้สงบได้คำถามจากคุณเกษนาเวลาทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อแล้วทำไม จยมจะปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าในวันที่ทานอาหารสองหรือสามื้อเจ้าคะก็หนึ่งมีเวลามากกว่าถ้ากินหนเดียวรับประทานหนเดียวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมากังวลกับคอยมาหาอาหารรับประทานอีกสองหรือสามครั้งด้วยกันแล้วการรับประทานอาหารมากก็จะทําให้เกิดความเกลียดค้านเกิดแรงต้านในการปฏิบัติมากทําให้เกิดความง่วงเหงาหงานอนได้ คำถามจาก Youtube คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าเ mm hmm. พราะอยากรู้จึงทำให้ไม่รู้เพราะอยากมีจึงทำให้ไม่มีเบื้องต้นหนูเข้าใจว่าเป็นเพราะกิเลสสนองความอยากเป็นเพราะกิเลสของความอยากแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมกิเลส ท, ทำให้เกิด ผ, ผลแบบนั้นได้เจ้าคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ลองไปถามคนที่เขาพูดเนี่ยกลับไปที่ Facebook คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามจากคุณสุภาชายัยการที่เราสวดปาติโมกได้สามารถดึงพ่อแม่เราขึ้นจากนรกได้จริงหรือไม่ครับก็ไม่แน่คือการสวดปาฏิโมกนี้ผลที่ผูผผผ้ผลโดยตรงก็คือผู้สวด เพราะเป็นการฝึกสตินั่นเองเป็นการฝึกสมาธิสวดปริมโมกนี้ต้องใช้เวลาประมาณสี่สิบสี่สิบห้านาทีใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้มีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ส่วนพ่อแม่จะออกจากกบายได้ไม่ได้นั้นอยู่ไม่เกี่ยวกับการสวดปริมโมกของเราอยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไป ลงไปในอบายนี่เหตุที่เรามาบวชมาสวดปฏิโมกข์แล้วทำให้พ่อแม่เกิดศรัทธามาวัดมารักษาศีลนี้ก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ผลข้างเคียงแต่ผลหลักก็ตัวหลักก็คือพ่อแม่เองว่าพ่อแม่จะรักษาศีลได้หรือไม่ได้ถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ได้ไปอบาย แต่การที่ลูกได้สวดปฏิโมกได้นั้นไม่ได้มันไม่ได้เป็นผลโดยตรงกับการที่จะทำให้พ่อแม่ไม่ไปเกิดในอบายคำถามจากคุณนัธริยาเวลาตายศา ส, สนาอื่นคนที่นับถือศาสนาอื่นไปนะรกสวรรค์ไหมเจ้าคะเหมือนกันอะ่ะเพราะกฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ศาสนาอยู่ที่จิตใจ จิตใจของใครทําบุญก็ได้ได้สวรรค์ใครทําบาปก็ได้นรกไม่ได้อยู่ที่ว่าจะนับถือศาสนาไหนเหมือนคนที่ทําผิดกฎหมายไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ผิดกฎหมายเหมือนกันติดคุกเหมือนกันคําถามจากคุณจุลัยรัตถ้าเราจะสร้างบ้านแล้วขั้นตอนแรกต้องให้วางระบบกําจัดปลวกก่อนเราจะบาปไหมคะ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาทําแล้วไม่ได้ทําเองก็ไม่บาปคําถามจากคุณปุยทําไมแขกอาหรับหรือดูไบหรือคนที่นับถือศาสนาคริสต์เขาไม่ใช่พุทธทําไมเขารวยเจ้าคะเขาทําบุญด้วยอะไรเจ้าคะเออความรวยนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่การนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาะแล้วไม่ได้อยู่ที่การทําบุญหรือไม่ได้ทําบุญะ มันอยู่ที่การหาเงินเป็นหรือไม่เป็นหาเงินเป็นมันก็รวยได้ทั้งนั้นถ้าหาไม่เป็นมันก็ไม่รวยดังนั้นเรื่องการนับถือศาสนานี้ไม่ได้ทําให้คนรวยหรือจ น, นอหมดแล้วเนะวันนี้น้อยนะไม่มีไม่มีทางใเงินเข้ามาเลยอ่าาไม่ ม, ม, ม, ม, มีเดี๋ยวก็นั่งนั่งไปสักพักก่อน เดี๋ยวขอพระ ก, กินน้ํำก่อนเดือดน้ำก่อนครับครับผมประเด็นคือผมแค่สงสัยส่วนตัวว่าพระมันมีพระมหามหานิกายกับธรรมยุทธใช่ไหมฮะถ้าแตะต้องเงินพระมหานิการแตะต้องเงินเนี่ยจะอาบัตไหมครับผมอาบัตแต่เขาไม่ถือว่าเป็นอาบัตเขายกเลิกกฎข้อนี้ไปไม่เข้าใจอ้าวเขาไม่ถือกดข้อนี้เขาถือว่ากดข้อนี้ไม่จําเป็นต้องรักษาอ๋อ ก็คือไม่ไม่เข่งเหมือนธรรมยุทธใช่ไหมฮะก็ไม่รู้ว่าคําว่าเข่งแปลว่าไงก็คือรักษาน้อยกว่าก็แล้ว ก, กันอ่าคื อ, อมันโยมาเอาแค่สี่ข้อข้อโกหกไม่รักษาเนี่ยก็ถือว่าโกหกไม่บาปไลยแต่ถือไม่ได้หละมันก็บาปอยู่ดีจะถือว่าไม่บาปหรือบาปมันก็บาปอยู่ดีแต่แต่ครับแต่ถ้ า, ถาตามหลักพระพุทธเจ้าสองร้อยี่สิบสอง้อยี่เจ็ก็คือต้องไม่รับใช่ไหมครับอ่าต้องไม่รับกับมือโอเคเข้าใจขอบคุณครับ คำถามจากคุณเมี่มยงค่ะเวลานั่งสมาธิกําหนดจิตอยู่ที่ปลายจมูกได้ไม่นานแต่ถ้าตามลมจิตจะจดจ่อได้นานกว่ามีวิธีแก้ไขไหมคะก็ไม่มีเราไม่ได้ต้องการนั่งให้มันนานหรือไม่นานเราต้องการนั่งให้มันนิ่งหรือไม่นิ่งถ้าตามลมมันก็จะไม่นิ่งถ้าอยากให้มันนิ่งก็ต้องอยู่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกทางเข้าออกของลมหรืออยู่ที่กลางหน้า อ, อกที่เรารู้สึก ได้ให้อยู่จุดเดียวจดให้ต้องกระต้องเพ่งจิตให้จิตมันจะได้นิ่งจะได้สงบพอมันสงบแล้วมันก็จะนั่งได้นานเองคำถามจากคุณกษนะขออุบายหรือวิธีจะบอกบุปการีมีให้ท่านทำบางอย่างที่ไม่ดีคือกลัวบาปเจ้าค่ะว่าเป็นลูกเตือนหรือแนะนำบุปการีแต่ก็รักท่านไม่อยากให้ท่านทำไม่ดีคะ่ะ ท่านรู้มากกว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปเตือนท่านหรอกท่านควรจะสอนเรามากกว่าเราไปสอนท่านคำถามจากคุณจงกนเวลายมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาก่อนนอนและเข้านอนก็นอนดูลมหายใจไปเรื่อยๆเหมือนมีสติตลอดคืนรู้สึกตัวตลอดคืนบางครั้งได้ยินเสียงกรนของตนเองและคนอื่นที่นอนด้วยบอกว่า ได้ยินเสียงหัวเสียงหายใจของตนเองแต่เรากลับมีสติตลอดเวลาขอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในในด้านการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะควรจะมีสติตลอดเวลาตอนที่ไม่นอนตอนที่เดิ น, ดนยืนนั่งตอนที่ทาอะไรอยู่ตอนนั้นควรจะฝึกสติคอยควบคุมความคิดให้หยุดตอนเวลานอนนี่ไม่ควรที่จะไป เจริญสติให้มันหลับให้มันหมดสติจะดีกว่าค่ะคำถามจากคุณพีโกพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเกิดมาทุกชาติด้วยกันเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันได้ไหมครับก็เขาไม่ถูกกันมาตั้งแต่พบก่อนก่อนพอมาเจอกันที่ไรก็จะต้องอจองเวรจองกรรมกันไปอยู่เรื่อยๆคําถามจากคุณพาวินีค่ะ โยงจะบริจาคร่างกายแต่แม่ห้ามจะมีวิธีไหนสามารถอธิบายให้ท่านเข้าใจบ้างไหมคะก็อธิบายตามที่คุณรู้สิว่าบริจาค ก, ก็บริจาคตอนตายไม่ได้บริจาคตอนเป็นแต่ถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องบริจาคตอนเป็นใครต้องการตับก็มาเอาไปเลยใครต้องการไตก็ไปเลยจะได้รู้ว่าเราได้บริจาคจริงๆเพราะเวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่า ตับไตไส้พุงของเรานี้จะได้รับการบริจาคหรือไม่งั้นถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องทําตอนที่เรารู้เรายังไม่ตายเช่นบริจาคเลือดอย่างนี้เรารู้ว่าเราได้บริจาคเลือดแล้วเราเกิดความสุขใจที่เกิดจากเราได้เสียสละสิ่งที่มีค่าให้แก่ผู้อื่นไปก็บอกแม่ว่ากาลองสอนบอกแม่ว่าเผื่อแม่ ไม่สบายแล้วต้องการปอดนี้แล้วพอดีมีคนเข้าบริจาคปอดให้แม่แม่จะรู้สึกอย่างไรให้แม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดจากการบริจาคร่างกายเพราะร่างกายนี้ถ้าไม่มีบริจาคเดี๋ยวนักศึกษาแพทย์เขาก็จะไม่รู้จักวิธีดูแลรักษาร่างกายพอเขามีร่างกายเขาจะได้มาศึกษาว่าร่างกายนี้มีส่วนประกอบอย่างไรมีอะไรทาหน้าที่อะไรอย่างไร เพื่อเขาจะได้มารักษาคนที่ยังไม่ตายให้อยู่อย่างปกติสุขได้คําถามจากคุณปุรณีการประกอบอาหารเพื่อถวายพระหากมีการชิมรสจะถือว่ากินก่อนพระหรือไม่เป็นกรรมไหมเจ้าคะออไม่เป็นกรรมหรอกเรื่องชิมก็เรื่องชิมมันไม่ได้เรื่องกินคําถามจากคุณชัยทวัตกรรมอะไรสามีภรรยา จึงไม่ค่อยลงรอยกันทําอะไรก็ไม่ร่วมมือกันครับก็มีความเห็นต่างกันไงก็คือมีความเห็นต่างกันคนนึงชอบกินก๋วยเตี๋ยวคนชอบกินข้าวผัดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วถ้าจะไม่ทะเลาะกันก็ต้องยอมกันแบ่งรับแบ่งสู้กันถ้าจะเอาแต่ใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าต่างฝ่ายต่างเอาใจกันก็จะอยู่ด้วยกันได้ถึงแม้จะมีความแตกต่างกันก็ต้องเอาใจกัน ทำไมเวลาจีบกันทำไมเขาเอาใจเราทุกอย่างอยากกินอะไรเาก็กินกับเราจะไปไหนเขาก็ไปกับเราแต่พอเขาได้เขาได้มาอยู่กับเราแล้วทำไมเขาเปลี่ยนไปแสดงว่าเขาไม่จริงใจไม่รักจริงไม่รักแท้คำถามจากคุณสรวิทค่ะข้อแรกทางวิทยาศาสตร์ต้นไม้พืชนับเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนสัตว์การทำลายต้นไม้พืช ผิดศีลครอปานาหรือเปล่าครับในสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีวิญญาณด้วยก็เหมือนกับการฆ่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นเป็นบาปในปัจจุบันนี้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้ว่าต้นไม้ถึงแม้จะมีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตใจทําลายต้นไม้ก็ไม่บาปเพราะไม่มีผู้รับไม่ไม่มีผู้รับเคราะห์จากการทําลายต้นไม้ แต่ถ้าไปทําลายร่างกายของสัตว์หรือของมนุษย์นี้มีมีผู้รับรู้อยู่คือใจอก็บาปเพราะใจที่ถูกทําร้ายเขาก็จะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทผู้ที่กระทําเขาเขาก็จะกลับมาจองเวรจองกรรมกันได้คําถามข้อสองค่ะการฆ่าตัวตายเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าผิดศีลข้อปานานหรือเปล่าครับเพราะว่าหมอบอกว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าทําเพราะป่วย คนที่ไม่มีสติไงคนเสียสติ ท, ท, ต ท, ทําทําร้ายชีวิตของตนเองคนที่มีสติส่วนใหญ่จะไม่ทําร้ายชีวิตของตนเองคนที่เสียสติเนี่ยทุกข์มากๆก็เสียสติได้ก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายก็บาปเหมือนกันอืแต่มีสติแล้วไม่มีสติฆ่าก็บาปเหมือนกันคําถามจากคุณนก จอดรถยนต์ไว้แล้วแมวเข้ามานอนใต้ท้องรถเราไม่ทราบขับออกไปเหยียบแมวตายรู้สึกเสียใจมากแบบนี้ถือว่าสร้างบาปและก่อกรรมกับแมวหรือเปล่าคะควรทำอย่างไรคะไม่มีเจตนาไม่ไม่บาปไม่ไม่มีการก่อเวรก่อกรรมกันแต่มีความเสียหายถ้าอยากจะช่วยเขาก็ทำบุญอุทิศให้เขาไปคำ ถ, ถามจากคุณ Season Change เริ่มนั่งสมาธิเราควรพิจารณาสังขารความตาย เป็นของไม่เที่ยงแท้ได้เลยไหมเจ้คาคะถ้านังสมาธิไม่ต้องการพิจารณาถ้าต้องการพิจารณาก็ไม่ต้องไปนั่งไงเสียเวลาพิจารณาได้เลยคนละเรื่องกันไม่ได้ทําพร้อมกันทํากันคนละวาระถ้าต้องการปัญญาก็พิจารณาได้เลยเช่นตอนนี้ฟังเทศฟังธรรมก็กําลังพิจารณาทำต่างต่างอย่างถ้าต้องการความสงบก็อย่าฟังไปนั่งดับตาพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไร ไม่งั้นจะพดใจจะไม่สงบแล้วนั่งสมาธิจะไม่ได้สมาธิจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะขอเมตตาจากพระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตที่นิพพานคือจิตที่สักแต่ว่ารู้จิตไม่ปรุงแต่งด้วยกิเลสทั้งสาแบบนี้เรียกเป็นการเจริญปัญญาได้ไหมเจ้าคะไม่ได้หรอกถ้าเจริญปัญญาต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดกิเลสว่าเป็นทุกข์ ถ้ารู้ว่าสิ่งที่กิเลส ช, ชอบเป็นทุกกิเลสมันจะได้ไม่ชัมันจะได้หยุดหยุดอยากได้กิเลสก็จะตายได้แต่ไปพิจารณาว่านิพพานเป็นใจที่ปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี้มันไม่ได้ทําให้ความโลภความโกรธความหลงหมดไปคําถามจากคุณชนะตนเมื่อก่อนจะมาปฏิบัติคิดว่าการได้อริยะบุคคลเป็นของยากแต่พอได้มาเจริญสติ สมาธิฟังธรรมเจริญปัญญาได้ความสุขจากความสงบและการใช้ปัญญาวางได้มากขึ้นรู้สึกว่าการเข้าถึงธรรมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่เคยเข้าใจถ้าเราปฏิบัติได้มากพออันนี้น่าจะเป็นกำลังใจที่เกิดจากการปฏิบัติมาจนระยะหนึ่งจนเกิดความแน่ใจมั่นใจอย่างนี้ความคิดถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ ยิ่งปฏิบัติได้ผลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดศรัทธายิ่งเกิดความเพียรมากขึ้นยิ่งเพียรมากขึ้นศรัทธามากขึ้นผลก็ยิ่งเกิดมากขึ้นแล้วก็จะทำให้ได้เกิดผลอย่างเต็มร้อยในที่สุดมหมดแล้วเหเดี๋ยวพักอีกสองสามนาทียังเหลือเจ็ดแปดนาทีเดี๋ยวคนที่กาลังพิมพ์ข้อความอยู่ก็จะจะได้ให้ก็พิมพ์ให้ครบก่อน แล้วค่อยส่งเข้ามาตอนนี้ถามได้นะอย่ามาถามตอนที่เลิกประชุมนะเดี๋ยวพอเลิกประชุมขอความกรนณนะอย่าเข้ามาเพราเราก็จะได้ไม่ต้องยืดเยือ้องนั้นบางทีถามตอบตอบไปอีกกว่าจะได้เลิอกอีกนานแต่ตอนนี้ไม่ยอมถามพอปิดไม่แล้วจะขอถามหลังใหม่ ถามสิถือว่าเป็นธรรมทานนะคำถามของเราก็เป็นธรรมคนที่เขาไม่รู้คําถามมาเอาไมโครโฟนถ้าอยากจะถามว่าเดินมากอาคอมายกโฟนมาอยู่ใกล้ๆไมโครโฟนย่งก็ต้องเดินส่งไปส่งมาอยู่นั่นน่ะาแ่ะเจ้าค่ ะ, นนคะในกรณีที่แบบบิดามันดาที่อยู่ในห้องไอซูแล้วอะค่ะที่ในกรณีที่สวมออกซิเจนอะไรอยะเจ้าค่ะ แล้วที่คุณหมอมักให้ลูกหลานเซนยินยอมถอดออกซิเจนอันนี้ลูกหลานจะบาปไหมเจ้าคะหมอไม่บาปหรอกหมอให้เซนเพื่อกันพวกลูกหลานจะมากล่าวหาว่าถ้าผอฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นเองเจ้าให้ให้เราว่าเป็นผู้อนุญาตว่าให้ยุติการการรักษาพยาบาลไม่ได้เป็นการฆ่าถ้าสั่งให้หมอฉีดยาให้ตายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการฆ่าเจ้าค่ะ ออยากจะถามถามต่อผมจะถามเรื่องพระเทวทัศน์นะครับพระเทวทัศน์คือทำกรรมกรรมหนักหข้อตอนนี้ตกนรกอยู่ที่อวจีมหาอนารกผมอยากจะรู้ว่าตอนที่ท่านจะเกิดมาอีกชาติหนึ่งต้องขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็มมไม่รู้แหละออกจากอวบายมาก็มาเป็นมนุษย์เมื่อไหร่อ๋อต้องเป็นต้องไล่ขึ้นมาเป็นชั้นๆก่อนใช่ไหมไม่แน่หรอกเพราะว่าเหตุที่พายไปเกิดในอวบายมันต่างกันไง ที่ไปนรกเพราะความอาฆาตพยาบาทพอหมดความอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตเพราะเปรตมันไปด้วยความโลภมันต่างกันถ้าเขาไม่มีความโลภ ก, ก็ไม่ไปเป็นเปรตนะครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติค่ะคือเนื่องจากว่ายังอยู่ในทางโลกบางครั้งในการที่นั่ง เวลานั ka, <em> mm ่งภาวนาค่ะช่วงแรกก็จะฟุ้งซ่านคือโยมก็จะใช้วิธีก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็คือไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆๆพยายามดึงกลับมาจนสุดท้ายก็คือจะเหมือนกับว่ามันฟุ้งมากๆมันก็หจุดของมันเองนะคะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นิ่งสงบเลยไม่ทราบว่าอย่างีถูกต้องหรือเปล่าคะก็เป็นวิธีหนึ่งคือถ้าเราพยายามไปเรื่อยๆในที่สุดกิเลสมันก็สู้เราไม่ได้มันก็หยุดไปเอง นี้หลังจากนั้นพอสงบแล้วทํำยังไงถึงจ ะ, ะให้มันสงบไปเรื่อยๆก่อยป้องกันไม่ให้มันคิดมันคิดก็หยุดมันให้มันสงบไปนานๆก่อนให้มันชํานาญในการทําความสงบก่อนแล้วเวลาออกจากสมาธิถ้าอยากจะพิจารณาทางปัญญาก็พิจารณาร่างกายว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นร่างกายของทุกคนเหมือนกันหมดเพื่อเราจะได้ปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับร่างกาย ค่ะอันนี้ก็คือคําถามที่จะถามต่อไปคือลักษณะจะคล้ายๆกับเวลาที่เกิดเวทนาทางกายค่ะหลังจากการเจ็บป่วยเยอะๆหรือว่ามีมีอาการเกิดขึ้นก็จะเจ็บมากแล้วก็อย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าความเจ็บมันจะดึงกระจายจนไม่สามารถที่จะพุดโธได้สุดท้ายก็คือลักษณะเดียวกันคือเจ็บจน มันเหมือนมันขาดไปเองเออถ้าเราทนไหวเดี๋ยวมันก็หยุดไปเองอันนี้คือเหมือนกับเป็นจริตใช่ไหมคะอยเางนี้เราต้องใช้ขันติใช้ความอดทนสู้กับมันไปอถ้าใช้สติไม่ได้ก็ใช้ขันติทนไปเดี๋ยวมันก็จบของมันเองเดี๋ยวมันก็หมดแรงเองถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเดี๋ยวมันก็แพ้เราเองคาถามคาถามจากคุณเอเลสมากค่ะถ้านอนชนิดหนึ่ง โดนผ่าเป็นสองซี่แต่สามารถมีชีวิตต่อไปได้โดยแยกกันอย่างอิสระสองซี่ทางพระพุทธศาสนามีวิญญาณเข้ามาเพิ่มหรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันนะคำถามจากคุณเจเจจันจิราถ้าเรานั่งสมาธิเราควรกำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติใช่ไหมจะถูกไหมเจ้าคะเช่นคิดหนอเจ็บหนอพองหนอ ยุบหนอเป็นการเจริญสมาธิได้ใหม่เจ้าคะก็คนอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับยุบหนอพองหนอก็ให้ยุบหน่อกับพองหน่อย่าไปเปลี่ยนเจ็บหนออย่าไปเป็นนูปป่ น, น ون, เป็นนีน่เนอให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับลมก็อยู่กับลมอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่เวทนาให้อยู่อยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันจิตจะสงบจะนิ่งได้ถ้าไปเจ็บหนอคิดหนอะพองหนอ ยุบนอวปนกันไปหมดนี่มันก็คิดอยู่นั่นอะ่ะมันก็อะไไม่สงบทักทีคำถามจากคุณศักชัยค่ะการปฏิบัติเช่นไรจึงจะพ้นทุกข์ครับก็การปฏิบัติเพื่อหยุดความอยากต่างๆฝืนความอยากต่างๆอยากอะไรก็ไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวก็จะพ้นทุกข์เองเพอความอยากหมดกําลังความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหมดไปคําถามจากยมโจ้กราบพระอาจารย์ ขอธรรมะให้คนมีคู่หน่อยครับก็ให้รักกันนานๆให้เอาอเอาใจกันอย่าเอาใจของเราถ้าต่างฝ่ายต่างเอาใจของตัวเองก็รักกันไม่นานถ้าจะรักกันนานๆ น, น, นี่ต้องเอารักเขาเอาใจเขาใส่ใจเราเอาอกเอาใจกันแล้วก็จะรักกันไปได้นานๆจนวันตายไ อ, อ้ข้อนึงอนะคุณชยาภาค่ะในการนั่งสมาธิพอจิตเรา สงบแล้วจะรักษาสมาธิให้คงตัวอยู่ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะและหากต้องการเริ่มวิปัสสนาควรจะเริ่มจากอะไรเจ้าคะเพื่อให้ถูกวิธีก็จิตสงบได้เพราะสติจิตจะสงบต่อไปได้ก็ต้องมีสติต่อไปต้องใช้สติคอยประคับประคองอย่าให้คิดว่าจะสงบไปได้เรื่อยๆก่อนจะไปทางวิปัสสนาก็ให้จิตสงบให้ชานาญก่อนให้เข้าสมาธิได้ เรื่อยๆได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอหลังจากนั้นเวลาออกจากสมาธิมาถ้าต้องการจเจริญปัญญาก็พิจารณาตายรักทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราเวลาเกิดความอยากเราจะได้ไม่อยากได้เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันจะกลายเป็นความทุกข์ไปในในที่สุดเราไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา